วิปั ส, สนาเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของปัญญาใช่ไหมถามว่าพระปัญญาเนี่ยปัญญาจะรู้อะไรนั่นแหละง่ายๆก็คืออริยสัจนั่นแหละปัญญาเนี่ยเป็นอยู่สายกุศลกุศลไปรู้เรื่องของทุกข์สัตว์นั่นแหละเอางี้นะเจริญวิปัสนาง่ายๆก็ไปดูเรื่องชาติชราพยาธิมรณะเอาแบบยาบๆให้มันเข้าใจดีๆก่อน แต่แล้วเรื่องค่อยลงรายละเอียดว่าจริงๆแล้วชาติชรามารณะเป็นต้นก็คืออุปาทานขันห้าใช่ขันห้าก็มาย่อๆก็คือเรื่องรูปเคากับนามแม้แต่รูปก็ยังขยายอีกเป็น28นามเป็นโลกิยจิต81เจ็จตสิกที่ประกอบ52นั่นแหละคือรูปนามมันก็รูปนามอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นทุกขสัต ส่วนหนึ่งเป็นสมุทัยศัสตร์กุศลธรรมที่จเจริญมาเพื่อรอบรู้สิ่งเหล่านี้นี่แหละตัวปัญญาเนี่ยอ บ, บรมเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องชีวิตอันนี้ความจริงนั่นแหละเป็นตัวปัญญาปัญญาตัวนั้นแหละเรียกว่าวิปัสนาอันก็อ บ, บรมปัญญานี้มีอยู่กี่ระดับวิปัสนามีกี่ระดับกี่ระดับวิปัสนาญาณ น, นี่มีกี่ญาณ สิบกยานเนี่ยถ้าเอาสูงสุดปัจเจเวคณาญาณก็มีสิบหกยานนะสิบหกยานนะก็ตามแต่ความรู้ก็เหมือนกับถ้าเราจะเรียนตั้งแต่ปฐมหนึง่งจนจบปริญญาเอกเนี่ยมีอยู่กี่ชั้นด้วยกันยเงี้ยก็ไปตามนั้นแหละว่าแต่ละชั้นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าหากว่าคนอยากจะรู้เรื่องวิปัสสนาแบบเร็วๆ เ, เ, เลยใช้เวลาน้อยเวลาสั้นก็เหมือนกับ คนคนหนึ่งอะนะเข้าไปที่วิทยาลัยไปถึงบอกผมมาขอทำปริญญาเอกอ่านหนังสือออกหรือยังยังครับผมมีเวลาจำกัดมากเลยนะแต่ว่าผมอยากได้ปริญญาเอกภายในเจดวันเนี้ยนั่นแหละก็เป็นลักษณะนั้นซึ่งมันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเลยเป็นไปไม่ได้วิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาแต่ว่าโมหะเนี่ยเต็มหัวใจไปหมดเลยไม่รู้จะเอาปัญญาไปแทรกไว้ตรงไหนได้ครันี่ต่อไปนะ คล้ายๆกับเข้าไปในกลางลำเลยนะมาจากไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้แต่อยากได้สิ่งนั้นอนะ่ะนั่นแหละไม่เข้าใจเงื่อนไขอะไรสักอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ตำหนิหนะเพียงแต่เล่าให้ฟังนะคือคือเรามาเชิงสนธนาการว่าการศึกษาของคนในยุคนี้เป็นเรื่องที่ที่ขาดความเข้าใจแต่ละเรื่องอย่างตลอดสายแม้แต่เรื่องของวิปัสสนาเหมือนกันฝรั่งนอกาศาสนาเขาก็มาเจริญวิปัสสนาด้วย พอเขาเจริญวิปัสนาไประดับหนึ่งวิปัสนาที่ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั่วไปเขาสอนนะไม่ไม่ใช่ในพระทัยพิดกนะคนละอย่างกันแต่เขาใช้คำว่าวิปัสนาพอเขามาเข้าคอร์สเจริญวิปัสที่เรียกว่าวิปัสนาระดับหนึ่งเขาบอกว่าเขาศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นเมื่อก่อนเขาไม่เคยทราบซึ่งในคุณของพระเจ้าขนาดนี้เลยพอเขามาเจริญแบบที่ที่มีอาจารย์แนะนาในเมืองใครเนี่ย เขากลับเขาศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นเขากลับไปพักดีกับพระเจ้าเหมือนเดิมไงนั่นแหละนั้นแสดงว่าวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิตัววิปัสสนาจริงๆเป็นเรื่องของกรรมสัมมาทิฏฐินั้นผู้ที่จะมีสัมมาทิฏฐิในระดับวิปัสสนาได้คนนั้นจะต้องมีกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิในกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐินั้นเบื้องต้นเขาต้องเชื่อในเรื่องของ กรรมและผลของกรรมผู้ที่เข้าใจในหลักกรรมจริงๆคนนั้นจะเข้าใจของเรื่องของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่จริงแล้วในหลักกรรมและผลของกรรมกรรมและผลของกรรมก็คือสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบนับตั้งแต่หนึ่งการให้ทานมีผลการต้อนรับการเชื้อเชิญมีผลการบูชามีผลผลบุญผลบาปมีจริงพ่อแม่มีบุญคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีจริง โลกโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงในข้อสุดท้ายนั้นแหะพระพุทธเจ้ามีจริงนี่คือสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิที่บอกมีพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วถึงไตรสารณคมยอมรับพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นาศาสดาพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องวิปัสสนาต่อไปนั่นแหละอันนั้าถ้าหากว่าผู้ที่จะรู้วิปัสสนาโดยที่ไม่ต้องนับถือพระพุทธเจ้าเลยทําได้ไหม ได้ถ้าคุณเป็นพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งถ้าเป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้ากับสัมมาสัมพุทธาพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ต้องนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเจริญวิปั ส, สนาได้เลยแต่ถ้าหากว่าที่เขาเรียกว่าวิปั ส, สนาถ้าตามแนวพระไตรปิฎกพอเอาขั้นตอนมาจับเอามาตมาวัดปั๊บเห็นว่ามันไม่ได้มาตรฐานเลยเมื่อไม่ได้มาตรฐานนั้นแม้แต่เขาจะใช้คําว่าวิปปสนา ถ้าโดยความเข้าใจของอาตมาเองบอกไม่น่าใช่เพราะคนที่มองเห็นเรื่องวิปัสนาเนี่ยในในวิสุทธิมรรคกล่าวถึงอา น, นิสงส์ของวิปัสนาเอาไว้เขาจะทราบซึ้งในคุณของพระธรระไตรามากยิ่งขึ้นนะถ้าเขาถ้ามีปัญญาเห็นเรื่องของขันห้าจริงๆเนี่ยเขาจะซึ้งในบุญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้ามากขึ้นเห็นชัดในพระธรรมคําสอนแล้วก็เห็นหมู่สงสาวกที่ปฏิบัติตามคําสอนมากขึ้นชัดเจนขึ้นแต่ถ้า โหวิปัสสนาบอกว่าเจริญเอาเจริญเอาแต่ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นมันไม่แน่ใจว่าเป็นวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าหรือไม่ดนั้นของวิปัสสนาของพระพุทธเจ้านั้นเราก็ต้องมาค่อยๆศึกษาเอาตามแนวพระไตรปิฎกแต่ถ้าวิปัสสนาของคนอื่นก็ต้องไปศึกษาเอาแบบอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องมาทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าประเพณีพรหมจรรย์ของใคร ในสมัยก่อนเนี่ยเบอกว่าท่านเป็นนักบวชใช่ไหมบอกว่าใช่ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในใครบอกว่าเราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคศ า, าสดาของท่านสอนว่ายังไงน่ะเขาเอาต้นต่อหลักเลยนะศาสดาของท่านสอนยังไงหรือว่าท่านบวชในศาสดาศ า, าสนาของศาสดาของท่านเพื่ออะไรนะเขาชัดเจนมากเลยนะถ้าสมัยก่อน แต่ว่าในยุคหลังๆนี้ก็เป็นโทษของวัตตะซึ่งคนก็ห่างเหินไปเรื่อยๆเพราะห่างเหินอย่างนี้แหละคำสอนเจึงเสื่อมเพราะว่าพระผู้าศาสนาของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้อยู่ตลอดกาลนานนานแต่ถ้าเทียบกับวัตตะสงสารอันยาวกลและาศาสนามีช่วระยะนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นแหละคล้ๆกับฟ้าแลแบอ่ะนะ ถ้าในช่วงฝนตกคืนเดือนมืดเนี่ยนะผู้ศาสนาจะมีเหมือนกับช่วงฟ้าแลบแป๊บเดียวเท่านั้นเองพอให้คนที่สังเวทใจพอที่จะมองเห็นทางต่อไปได้ก็รอจกว่าจะมีฟ้าแลบมาอีกครั้งหนึ่งนะจึงจะมองเห็นทางได้อ๋อทีนี้เลยมาหาเรื่องของพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคนั้นพระองค์ไม่มีอุปกิเล์ แสดงว่าคนที่เข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าคนนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องบาปเรื่องอกุศลเป็นอย่างดีเลยพระพุทธเจ้าไม่มีอุปกิเลเอุปกิเลสแปลว่าเกิเอแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของของจิตอุปะเนี่ยมันเป็นเรียกว่าอุปสรรคแปลว่ามั่นมั่นคงอะนะเครื่องเศร้าหมองของจิตที่มันมั่นคงอยู่ในจิตมากเลยเชน่นโลภะก็เป็นกิเอ โทสะโมหะมานะอิจฉามัฉริยะพวกเนี้ยเป็นกิเลส ท, ที่มันทําให้สภาพจิตใจเศร้าหมองพระพุทธเจ้าไม่มีความเศร้าหมองแบบนี้เลยในจิตใจของพระองค์พระองค์นั้นมีแต่ความสดชื่นนั่นกันแต่ไม่มีโลภะโทสะโมหะก็เหมือนกับน้ําที่ใสที่สะอาดกรองดีแล้วเนี่ยไม่มีฝุ่นละอองอยู่ในนั้นเลย อีกอย่างหนึ่งคำว่าพุทโธหรือพระพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ปราศจากราคะโดยส่วนเดียวราคะเป็นชื่อของโลภะหรือตัณหานั่นเองทรงปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวพระองค์นี้ไม่รู้สึกรังเกียจอะไรโดยลักษณะของโทสะเลยนะพระองค์นี้ไม่รู้สึก เกลียดชิงชังอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพระ อ, องค์รู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษเช่นพระ อ, องค์รู้ว่าราคะนี่มีโทษโทษสะนี่มีโทษถามว่าพระพุทธเจ้าโกรธโทสะไหมไม่โกรธแต่รู้ความจริงของโทสะหมดอย่างนี้พระ อ, องค์นี่ไม่มีโลภะโทสะแล้วก็ปราศจากโมหะโดยส่วนเดียวไม่มีโมหะแทรกอยู่ในจิตของพระ อ, องค์แม้แต่นิดเดียวเลยนะียโมหะก็คือ เขาบอกว่าแปลว่าโมหะนะโมหะถ้าแปลว่าหลงเนี่ยถ้าเรามาลองใช้คํานะถ้าแปลว่าหลงสมมติอราจะมามาเชียงใหม่แล้วหลงทางเนี่ยถามว่าเดินต่อไปได้ไหมถ้าหลงทางหลงทางกลับไม่รู้ทางเหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้าถ้าหลงแบบไทยๆนะต้องเป็นเชื่อของทิฏฐิถ้าหลงแบบไทยๆนะเป็นเชื่อของทิฏฐิเช่นหลงทางก็คือเดินผิดทางนั่นเองแต่ถ้าไม่รู้ทางเนี่ยเป็นเชื่อของ โมหะนั่นแหละอย่างไม่รู้อริยสัจเนี่ยเป็นชื่อของอวิชชาแต่ถ้าเห็นผิดในเรื่องของอริยสัจเป็นเรื่องของเทติเพราะฉะนั้นถ้ามโหมหะแปลว่าหลงจึงไม่ถูกนะไม่สมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอวิชชาหรือโมหะก็คือความไม่รู้ในเรื่องของอริยสัจไม่รู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องของกรรมนั่นเองนั่นแหละไม่รู้ในเรื่องของกรรมนั่นแหละโมหะ นันแหละถ้าพูดในหนึ่งนะเรามองเห็นเรารู้สึกนึกคิดเนี่ยปารบเรื่องกรรมบ่อยไหมถ้าปารบน้อยๆหรือไม่ปารบเลยนั่นแหละแสดงว่าเวลาที่เหลือเนี่ยโมหะเอาไปกินโมดต่อไปพระองค์ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวกิเลสแปล ว, ว่าความเศร้าหมองของจิตพระผู้มีพระภาคนั้นไม่เศร้าหมองทางจิตเลยแล้วก็ทรงพระนามว่าพุโทโธเพราะเป็นผู้เดียวตรัสรู้เฉพาะแล้ว ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐตรัสรู้แต่เพียงผู้เดียวนะแต่ก่อนที่จะมาตรัสรู้เนี่ยก็ต้องรู้เบื้องหลังกว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยมาด้วยคราบคราบอะไรคราบเลือดนะเขา บ, บอกว่าผู้ที่จะอัธยาศัยจิตใจที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบอกว่าในห้องจักรวาลนี่เหมือนกับ่านเพลิงเนี่ยเต็มไปหมดเลย คนที่มีจิตใจที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมองว่าไอ้ห้องจั ก, กราวาลทั้งสิ้นเนี่ยชันลุยได้นั่นแหละหรือว่าในห้องจั ก, กราวาล น, นี่มีแต่ขวากน้ำบอกว่ามือเปล่าเนี่ยแหวกไปได้ทำใจได้ขนาดนั้นนั่นแหละลักษณะของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะมีจิตใจที่มาตรัสรู้อริยสัจเหล่านี้ได้ ต่อไปนะทรงพระนามว่าพุโทโธนี้เพราะทรงกําจัดความไม่รู้เพราะทรงได้ปัญญาเครื่องตรัสรู้ปัญญาเครื่องตรัสรู้ก็คือปัญญาที่ในโพชฌงเป็นต้นและทรงพระนามว่าพุโทโธนี้พระมารดาบิดาพี่ชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตยญาสาโลหิตสมณะพรามเทวดามิได้ทำให้โดยที่แท้แล้วพระนามนี้เป็นวิโมกขันติกานามก็คือพระนามที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งการหลุดพ้น พอบรรลุเช่อนี้ไม่ต้องมีใครมา ต, ตั้งให้และอีกอย่างหนึ่งคําว่าพู้โธนี่เป็นสัจจิกาบัญญัติก็คือเป็นบัญญัติที่พร้อมด้วยการบรรลุสพันยุตยานณคนะวงไม้โพต้นไม้แบบนี้นะพระพุทธเจ้ามาอาศัยนั่งตรัสรู้ธรรมเขาก็เลยเรียกว่าต้นโพแต่ถ้าเป็นบาลีเนี่ยคนแขกจริ ง, รงๆเขาเรียกต้นอสัทธะพฤกอสัทธพฤกะนะ ของไทยนี่เรียกว่าเป็นไสรตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลไม้ไสนั่นแหละแต่ไสรชนิดนี้พระพุทธเจ้าอาศัยตรัสรู้เขาก็เลยเรียกว่าโพนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยควงไม้ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วซึ่งอริยสัจจะทำนันะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประกอบด้วยคุณคุณงามความดีมีธรรมะมากมายมหาศาลอย่างนั้นเนี่ย ก็มากล่าวถึงว่าพุทธังสรนังสารนังกับสารณะเนี่ยนะก็คล้ายๆกันต่างแค่วิพัฒน์อธิบายคําว่าสารณะเลยนะสิ่งที่ชื่อว่าเป็นสารณะเพราะเบียดเบียนทุกภัยเป็นต้นเบียดเบียนความทุกขเบียดเบียนภยัภยภัยแปลว่าอะไรภัยนี่แปลว่าความน่ากลัวหรือสิ่งที่น่ากลัว นะความหวาสดสะดุงของจิตหรือสิ่งนั้นเนี่ยหน้าหวาดเสดุงเนี่ยแปลว่าภัยภัยแปลว่าหน้ากลัวอ่าคำว่าสารณะก็คือเบียดเบียนความทุกเบียดเบียนภัยเหล่านี้เนี่ยอธิบายว่าเบียดเบียนคือให้พี่นาาได้แก่กำจัดอนัตถะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กำจัดอบายทุ ก, อ บ, ทกอบายทุกก็คือทุกในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกอย่าง และสังสารทุก์ทั้งมวลได้นะก็คือคำว่าสารณะก็คือเบียดเบียนนั่นเองเบียดเบียนกำจัดความชั่วร้ายเลวทรามออกไปหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าสารนางคตาคตาตัวนั้นคตาก็คือคัชฉามิอะนะไทยๆนสารนางคัชฉามิก็คือคาตาคตาแปลว่าถึงแล้วก็คือเป็นผู้ผู้ถึงคือเข้าถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายถึงถึงทีนี้ก็คือคบได้แก่ส่องเสพหมายความว่าเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประสงค์อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ทรงเป็นสารณะพระองค์เนี่ยทรงกำจัดภัยให้แก่เราได้พระองค์เนี่ยทำทำลายภายัยภัยอ น, นั้นก็คือเช่นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยพระองค์เนี่ยสามารถที่กาจัด อบายทุคติวินิบาตนรกพระองค์เนี่ยสามารถช่วยให้เราพ้นจากสังสารวัตสังสารวัตก็คือกรรมวัตวิปากวัตรเลกิเลสวัตรจะได้นั่นแหละอันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ป้องกันภัยกัเราถ้าเรามองแบบเด็กเกิดมาที่ไม่มีไม่มีผู้ที่คอยดูแลป้องกันเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเรียกว่าเด็ก เด็กกำพร้าเนาะเด็กกำพร้าก็คือเด็กที่ไม่มีใครดูแลเลยอะ่ะบางคนเนี่ยกําพร้าพ่อกําพร้าแม่เฉยๆบางคนกําพร้าญาติด้วยอะฉั้นคนที่กําพร้าพอเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยไม่มีใครคอยป้องกันคอยแนะนําอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยนะเป็นเด็กที่โตขึ้นด้วยการเรียนรู้ชีวิตเองแล้วส่วนใหญ่นะที่ได้ดีน้อยมากนะเด็กที่ ที่กำพร้าแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ได้รับความอบอุ่นชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จดงนั้นคนที่ได้รับความอบอุ่นก็คือมีคนคอยดูแลประคบประหงอมเป็นต้นฉันใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาในวัฏฏะนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คอยบอกนี่ไม่มีประโยชน์นะนี่มีประโยชน์นี่เป็นบุญนะนี่เป็นบาปนะเราทั้งหลายเราจะไม่รู้เลย ไม่รู้ด้วยว่าอะไรควรทำกายกรรมเราจะไม่รู้เลยอะไรควรทำวิจีกรรมนี่เราจะรู้ไ้ยอะไรควรพูดเราจะไม่รู้เลยถ้าพูดอย่างนี้มีโทษยังไงเราจะก็ไม่รู้เองแล้วความคิดเนี่ยยิ่งร้ายใหญ่เลยนะถ้าเราไม่มีคำสอนนี่เราจะไม่รู้เลยว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิดอันเราไปดูคนที่นอกพูดธศาสนานอกคาสอนพระพุทธเจ้าเขาคิดเนี่ยยมไม่น่าเชื่อเออคนคิดอย่างนี้ก็มีด้วยนะ บางทีบางคนเนี่ยคิดฆ่าพ่อคิดฆ่าแม่คิดอะไรนะก็ไม่รู้คิดหาแต่บาปใส่ตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสารณะก็เหมือนกับคนที่กัมพร้ากัมพร้าไม่มีสักสิ่งเลยนะไม่มีคนหยิบยื่นสมบัติให้ด้วยแต่ถ้าคนมีสารณะนะจะมีผู้ที่คอยหยิบยื่นทรัพย์สมบัติทรัพย์ของพระพุทธเจ้าที่หยิบยื่นให้เราคืออะไรทรัพย์ ศีลซั์คือสุ ต, ตะทรัพย์คือจากขะแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาพระพุทธเจ้านี่มอบมรดกให้เลยเนอะให้มรดกเหล่านี้เลยตั้งแต่ศรัทธาศีลฮิริโอตตะสุ ต, ตะจากขะปัญญาทรัพย์เหล่านี้พระองค์ให้เราแต่หากว่าคนกัมพร้าศาสนาเนี่ยนะเขาจะไม่มีทรัพย์คือศรัทธาเลยเขาจะไม่มีทรัพย์คือฮิริโอตตะเลย เขาจะไม่มีซับคือการได้ยินได้ฟังในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องของกรรมดําคําขาวกรรมไหนควรทําไม่ควรทําเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาไม่รู้สักอย่างเลยเพราะเขายากจน่ะเขาไม่มีทรัพย์เหล่านี้หรอกแล้วเขาไม่มีทรัพย์คือจากะพอที่จะเสียสละอะไรควรเสียสลัก็ไม่รู้แล้วก็ซัพย์คือปัญญาด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นกรรมและผลของกรรมได้ ถ้ามองไม่เห็นกรรมและผลของกรรมแล้วชีวิตจึงเป็นชีวิตโอ้โหกัมพานะก็คนกัมพากับคนบางคนเนี่ยกัมพาด้วยบอร์ดด้วยเนี่หนักกระเก่าเอเนะกัม้าด้วยบอร์ดด้วยที่คนบอร์ดเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนแนะนำเลยเนี่ยมันเดินชนอะไรนะก็ไม่รู้ชั้นใดก็ดีคนที่ไม่มีคำสอนของพระผู้มีพระภาคอยู่ในใจแล้วเขาบอร์ดด้วยอวิชชาเนี่ยยมเขาเดินไปชน ชนความชั่วไล้ล่อย่างที่ที่ไม่น่าเป็นไปได้ว่าเขาจะทําบาปขนาดนั้นเราคิดดูในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ศึกษาธรรมะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ากับตอนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยความคิดเราคนละเรื่องเลยเนี่ยไม่ต้องใครหนละ่ะขอนำมาเนี่ยคนละเรื่องเลยคนโอ้ยพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเนี่ยมาเกิดเกิดในศาสนาของพระองค์พระองค์คอยบอกแล้วก็หยิบยื่นทรัพย์ให้เราตลอดให้เรามีทรัพย์ได้ใช้ใจ่ายมีทรัพย์คือ ศรัทธาเป็นต้นเรามีศรัทธาที่ในคําสอนของพระ อ, องค์เรามีศรัทธาในความเป็นพระอารหันต์ของพระพุทธเจ้าแล้วทําให้เรามีทรัพย์คือศีลแล้วทําให้เรามีทรัพย์คือฮิริโอตตะให้รู้จักอายชั่วเกลือบาปให้มีทรัพย์คือสุตะได้อ่านได้ศึกษาได้เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นกาลยานมิตรอย่างเงี้ยให้ผู้ได้คบเกี่ยวข้องกับกาลยาณมิตรที่มีอัธยาศัยในการ ศึกษาพระธรรมคําสอนเพราะพระองค์ให้ทรัพย์เราตั้งเยอะแยะจากจริงวันน้ำปานะก็ทําไม่มีดื่มนะมั้งสมัยก่อนนั่นแหละแม้แต่ทรัพย์ภายนอกพระองค์ยังช่วยเราเลยใช่ไหมแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดนี้ของพระพุทธเจ้าหมดเลยแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่เรามาพูดอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ของตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดเรื่องอย่างนี้เลยไม่เคยพูดเรื่องอย่างนี้จะไปพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้ ขั้นตอนหลังเนี่สิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าออของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงเป็นสาระกำจัดภัยได้เมื่อก่อนเนี่ยเราสภาพจิตใจเราเนี่ยจะตื่นจะกลัวอยู่ตลอดเวลาหวาดระแวงหาความสงบสุขไม่ได้แต่พอเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนสภาพจิตเราเนี่ยไม่ตื่นเหมือนเนื้อเนื้อนี่มันตื่นตื่นภัยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสาระมีคาสอนเนี่ย ใจของเราไม่หวาดเสด็จเหมือนเมื่อก่อนนะมันเหมือนกับมีเกาะมีที่พึ่งอะ่ะทําให้เรามีหลักพระธรรมคำสอนคอยบอกตลอดเลยนะเออคิดอย่างนี้มันไม่ดีนะคิดอย่างนี้มันมีโทษนะคิดอย่างนี้เป็นบุญนะคิดอย่างนี้ควรพอ่อพูนให้เยอะๆคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอ่าพระ อ, องค์จึงกล่าวว่าอย่าประมาทแม้แต่จิตตุก บ, บาทเดียวอ่และพระพุทธเธจ้านั้นทรงเป็นคติคตินี้แปลว่าคติห้าครได้ยินนะ คติห้าคือหนึ่งอสุตสามสุตรเลยนิรยคติสองเปตตะตตาาคติสามติรฉานคติสี่มนุสคติห้าเทวคติคตินี้แปลว่าที่ไปที่ไปของสัตว์ทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นคติคติในที่นี้แปลว่าที่ไปของของจิตใจของเราอะ่ะ เราเนี่ยมีจิตใจว่าจะไปทางไหนล่ะใจของเราเนี่ยแต่ใจของเราเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปพระพุทธเจ้าจะให้เราไปไหนอ่ะเราจะไปตามนั้นแหละพระพุทธเจ้าให้เราไปไปละอกุศลนั่นแหละเราก็จะละเนาะนั่นแหละเนั้นพระองค์เนี่ยเป็นคติก็เหมือนกับเป็นเข็มทิศของชีวิตคติก็คือที่ไปหรือเป้าหมายนั่นเอง พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป้าหมายจริงๆของชีวิตเพราะว่าพระองค์นั้นทรงสอนเป้าหมายในเรื่องของจิตใจของเราว่าเป้าหมายจริงๆของชีวิตเนี่ยคืออะไรอันเมื่อพระพุทธเจ้านะจะเป็นคติให้แก่เราต่อเมื่อเราเดินตามธรรมะของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยศึกษาพระธรรมเพื่ออะไร การตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคําสอนของเราอ่ะถ้าเอาตามธรรมของพระองค์นะนั่นแหละชื่อว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นคติและสมมุติถ้าเราศึกษาคําสอนเพื่อบรรลุอริยสัจแสดงว่าเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นคติคําว่าเป็นคติก็คือเป็นสารณะนั่นเองถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมเพื่อบรรลุอริยสัจนั่นแหละเพื่อที่อย่าลืมนะอริยสัจนี้กําหนดรู้ หรือรอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเจริญในสิ่งที่ควรเจริญพระุทธเจ้าเนี่ยเป็นคติให้เราปฏิบัติสี่สิ่งนี้สอย่างนี้ทบททนอีกครั้งหนึ่งนะให้รอบรู้หรือให้เจริญปริญญาในสิ่งที่ควรปริญญานะสองให้ละสิ่งที่ควรละให้ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทาให้แจ้งและให้อบรมให้ภาวนาให้เจริญ สิ่งที่ควรอบรมสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควร พ, อพ่อคูนอันเราสามารถแบ่งชีวิตของเราได้เลยแบ่งชีวิตออกเป็นสี่ส่วนส่วนไหนเป็นส่วนที่ควรรอบรู้ควรกำหนดรู้หรื อ, อควรที่จะทำปริญญาควรที่จะทำวิจัยส่วนไหนส่วนไหนที่เราควรละแบ่งดูที่ลองแบ่งนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพพวกนี้เป็น สิ่งที่ควรกําหนดรู้รอบรู้ด้วยปริญญาสิ่งที่ควรละก็คือบาปอากุศลทุกชนิดในจิตใจของเราการแล้วก็อบรมกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเมื่อรู้ทุกเท่าไหร่และอกุศลเท่าไหร่ก็ชื่อว่าแจ้งเท่านั้นไปเรื่อยๆมันทําให้แจ้งอย่างนี้เรื่อยๆแจ้งจนถึงที่สุดก็คือความดับกิเลส น, นะความดับกิเลสอันนั้นแหละเรียกว่า เส้นตันหาแล้วล่ะจนดับความยึดถือในทุกละสมุไทยนั่นแหละเป็น น, นิพพานเป็น น, นิพพาน